อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยากเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าผูกไว้เพราะกําจัดอะไรออกไปจึงพ้นได้เพราะละอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกความอยากผูกไว้เพราะกําจัดความอยากออกไปจึงพ้นได้เพราะละความอยากจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด ทิช้าสูตรที่กาจบ 10. โลกะสูตรว่าด้วยโลกเทวดาทูลถามว่าเมื่ออะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไร โลกเดือดร้อนเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่ออายตนะหกเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอายตนะหโลกยึดถืออายตนะหกนั่นแลโลกเดือดร้อนเพราะอายตนะหกโลกกสูตรที่ส0บจบอัธวั์ที่เจ็จบ รวมพระสูตรที่มีในวั์นี้คือ 1. นามสูตร 2. จิตตะสูตร 3. ตันหาสูตร 4. สัญโยชนะสูตร 5. พันธะสูตร 6. อภพาหตะสูตร 7. อุทิตะสูตร 8. ปิหิตะสูตร 9. อิช้าสูตร 10. โลกะสูตร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 พระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคลคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกเทวดาพระอริยะทั้งหลายสรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคลคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคตวา่าโรที่หนึ่ง สองรัฐสูตรว่าด้วยรถทเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของไฟ อะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรัฐอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของหญิงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธงเป็นเครื่องปรากฏของรถควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐพัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงรัฐสูตรที่สองจบ วิตตสูดว่าด้วยทรับเครื่องปลื้มใจเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นทซั์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราชทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัท ธ, ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจะเท่านั้นเป็นรถที่เลิศกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐวิตาสูตรที่สจบ 4. วุติสูตรว่าด้วยฝนเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้สัตว์ประเภทใดประเสริฐบรรดาชนผู้พูดใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก่ว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นพืชประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกลงไปฝนประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้โคเป็นสัตว์ประเสริฐบรรดาชนผู้พูดบุตรเป็นผู้ประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้ประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปความไม่รู้ประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้พูด พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวุติสูตรที่สี่จบ 5. พีตะสูตรว่าด้วยผู้กลัวเทวดาทูลถามว่า มูชนเป็นอันมากในโลกนี้ยังจะกลัวอะไรอีกเล่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกทางไว้แล้วด้วยเหตุหลากหลายข้าแต่พระโคโดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงเหตุนั้นบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรจึงไม่กลัวปารโลกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบ มีได้ทำบาปทางกายอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้อ่อนโยนหนึ่งมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนึ่งรู้เจรจาปราศัยหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้นั้นจึงจะไม่กลัวประโลก ท, ที่ห้าจบ นชีรติสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่สุดโมทมเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าย่อมสุดโซมอะไรเล่าย่อมไม่สุดโซมอะไรเล่าท่านเรียกว่าทางผิดอะไรเล่าเป็นอันตรายต่อธรรมอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมนทินของพรหมจันร์อะไรเล่ามิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง ในโลกมีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุดโสมชื่อและโคตรย่อมไม่สุดโทมราคะท่านเรียกว่าทางผิดความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมไวยสิ้นไปตามคืนและวัน หญิงเป็นมนทินของพรหมจรรันทร์หมูสัตว์นี้ค้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจันท ร, ร์นั้นมีใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องอยู่หกช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คือความเกียรครานหนึ่งความประมาทหนึ่งความไม่ขยันหนึ่งความไม่สำรวมหนึ่งความมักลับหนึ่งความอ้างเลสไม่ทำงานหนึ่ง งเว้นช่องทั้งหกเสียโดยประการทั้งปวงเถิดนาชีรติสูตรที่หกจบเจ็ดอิสระสูตรว่าด้วยความเป็นใหญ่เทวดาทูลถามว่า อะไรเล่าเป็นใหญ่ในโลกอะไรเล่าเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายอะไรเล่าเป็นดังสนิมศตราในโลกอะไรเล่าเป็นเสนีย์จันไรในโลกใครนำของไปย่อมถูกข้ามแต่ใครนำของไปกลับเป็นที่รักใครมาบ่อยๆบัณดิตย่อมยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลก หญิงเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายความโกรธเป็นดังสนิมศัตราในโลกพวกโจรเป็นเสนียจันไรในโลกโจร น, นำของไปย่อมถูกข้ามแต่สมณะนำของไปกลับเป็นที่รักสมณะมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีอิสระสูตรที่เจ็ดจบ กะ้ามสูรว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์เทวดาทูลถามว่ากุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์ไม่ควรให้อะไรเล่าไม่ควรสละอะไรเล่าอะไรเล่าที่ดีควรปล่อยแต่ที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุรุษไม่ควรให้ตนไม่ควรสละตนวาจาที่ดีควรปล่อย แต่วาจาที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยกามสูตรที่8ดจบเาป้าเถยะสูตรว่าด้วยสบียงเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่ารวบรวมไว้ซึ่งสเบียง อะไรเล่าเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายอะไรเล่าผลักไสนรชนไปอะไรเล่าละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในอะไรเล่าเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงสิริเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายความอยากผลักไสนรชนไป ความอยากละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในความอยากเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นป้าเธอยสูตรที่เก้าจบ 10. ปัดโชตะสูตรว่าด้วยแสงสว่าง เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นแสงสว่างในโลกอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกอะไรเล่าเป็นสหายในการทํางานของผู้เป็นอยู่อะไรเล่าเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาอะไรเล่าย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียรจคร้านดูดมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกฝูงโคเป็นสหายในการทํางานของผู้เป็นอยู่ไถเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาฝนย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุดมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพ ปัจโชตสูตรที่10จบ 11. อรดรณะสูตรว่าด้วยข้าศึกเทวดาทูลถามว่าคนเหล่าไหนไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้ พรมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของคนเหล่าไหนไม่เสื่อมคนเหล่าไหนกําหนดรู้ความอยากได้ในโลกนี้ความเป็นไทยย่อมมีแค่คนเหล่าไหนทุกเมื่อมารดาและปิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือใครเล่ากระสัตย์ทั้งหลายอภิวาทใครในโลกนี้แม้จะมีชาติตำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นค่าศึกในโลกนี้พรหมจันทร์ที่อยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่เสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากได้ความเป็นไทยย่อมมีแก่สมณะทั้งหลายทุกเมื่อมารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือสมณะกริย์ทั้งหลายอภิวาสณะในโลกนี้ ผู้มีชาติต่ำอรณะสูตรที่11อจบคัตวาวักที่8จบ<โ> ร, รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นคัตวาสูตร 2. รัฐสูตร 3. วิตตสูตร 4. วุติสูตร 5. พีตสูตร 6. นชีรติสูตร 7. อิสระสูตร 8. กามสูตร 9. ปาเถยยะสูตร 10. ปัชโชตสูตร 11. อารณะสูตรเทวตาสังยุตจบบริบูรณ์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 กัสปะเทพบุตรมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงประกาศภิกษุแต่ไม่ทรงประกาศคำสั่งสอนสำหรับภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะเทพบุตร ถ้าอย่างนั้นการประกาศคำสั่งสอนนั้นจงปรากฏแก่ท่านณที่นี้เถิดกสปะเทพบุตรกลาบทูลว่าบุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิต ศ, ศึกษาการเข้าไปนั่งใกล้สมณนะศึกษาการนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวและศึกษาการสงบระ ง, งับจิตกาสปะเทพบุตรได้กล่าวดังนี้พระาศาสดาทรงพอพระทัยแล้วลำดับนั้น กสปะเทพบุตรทราบว่าพระาศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองประถมมากสปะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยกัสปะสูตรว่าด้วยกัสปะเทพบุตรสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีกัสปะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอนิสงเธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้น รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยทุติยกัะสปะสูตรที่สองจบ 3. มมาคะสูตรว่าด้วยมาคะเทพบุตร เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปมาคธเทพะบุตรมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคลคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศก ข่าแต่พระโคโดมพระองค์ทรงพอพระไทัยการฆ่าทาอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกท้าววัตรภูพระอริยะทั้งหลายสันเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศก มาคธสูตรที่สจบ 4. มาคธสูตรว่าด้วยมาคธะะเทพบุะบุเรื่องเกิดขึ้นที่โกรงสาวัตถีมาคธะะเทพบุตบุยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้ว เนื้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่สี่อย่างอย่างที่ห้าไม่มีในโลกนี้คือหนึ่ง ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันสองดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนสามไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่งสี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมมาคาทะสูตรที่สี่จบ ทามริสูตรว่าด้วยทามลิเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทามลิเทพบุตรมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า พราหม์ผู้ไม่เกียรคร้านพึงทำความเพียร น, นี้เพราะละกามทั้งหลายได้และเพราะความเพียร น, นั้นเขาจึงไม่หวังพบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทามลิเทพบุตรกิจไม่มีแก่พราหม์เพราะพราหม์ทำกิจเสร็จแล้วตราบใดบุคคลยังไม่ได้ท่าจอดในแม่น้ำทั้งหลายตราบนั้นเขายังต้องเพียรด้วยตัวเองทุกอย่างแต่เมื่อได้ท่าจอดแล้วยืนอยู่บนบก เขาเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียนอีกทามะลิเทพบุตรนี้เป็นข้ออุปมาสําหรับพราหมณ์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้มีปัญญาเครื่องบริหารผู้มีฌานเพราะเขาถึงที่สุดแห่งชาติและมรณะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรทามะลิสูตรที่หจบ หกามทะสูตรว่าด้วยกามทะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกามทะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วเด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณธรรมบําเพ็ญได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณธรรมบําเพ็ญได้ยากยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กามทเทพเปบุตรชนทั้งหลายผู้ตั้งมั่นในศีลของพระเสขะผู้ตั้งตนไว้มั่นคงแล้วย่อมบำเพ็ญสมณธรรมที่บำเพ็ญได้ยากความสันโดษย่อมนำความสุขมาให้แก่บุคคลผู้ออกจากเรือนบวชกามทเทพเปบุตรกลาบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ได้ยากนี้คือความสันโดษพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กามทะเทพประบุตรชนเหล่าใดยินดีในความสงบทางใจมีใจยินดีในการอบรมจิตทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นย่อมได้แม้สิ่งที่ได้ยากกามทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ตั้งมั่นได้ยากนี้คือจิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทะเทพบุตร ชนเหล่าใดยินดีในความสงบแห่งอินทรีย์ชนเหล่านั้นย่อมตั้งจิตที่ตั้งมั่นได้ยากให้ตั้งมั่นได้กามัทเทพระบุตรพระอริยะเหล่านั้นตัดขข่แห่งมัจจุได้แล้วกามัทเทพระบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคทางที่ไปได้ยากคือทางที่ไม่สม่ำเสมอพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กามทะเทพบุตรอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไปได้แม้ในทางที่ไปได้ยากซึ่งเป็นทางที่ไม่สมำเสมอส่วนผู้ไม่ใช่อริยบุคคลย่อมดิ่งศีรษะตกลงไปในทางที่ไม่สมำเสมอทางนั้นสมำเสมอสำหรับอริยบุคคลทั้งหลายเพราะอริยบุคคลทั้งหลายเป็นผู้สมำเสมอในทางที่ไม่สมำเสมอกามทะสูตรที่หก เจ็ดปัญจาลจจนทสูตรว่าด้วยปัญจาลจจนทะเทพระบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีปัญจาลจจนทะเทพระบุตยืนอยู่ณที่สมควรแล้ว ด้วยกล่าวคาถานี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าแม้ในที่คับขันผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินก็ยังได้โอกาสผู้ใดบรรลุฌานผู้นั้นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้หลีกออกได้อย่างอง อ, งอาจเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญจาลจันทะชนเหล่าใดแม้อยู่ในที่คับขันแต่กลับได้สติเพื่อการบรรลุธรรมเคริรนิพาน ชนเหล่านั้นตั้งมั่นดีแล้วโดยชอบปัญจาละจันทสูตรที่เจ็ดจบ